แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปที่ได้แสดงมาตามําดับนั้นเป็นหลักการในระดับที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือมุ่งให้ใช้ปัญญาพินิติจาราขันธ์ทั้งห้าประการ ตําหลักของรัชยลักษณ์คือลักษณะที่เสมอกันแทงสัตว์ได้สังขารทั้งหลายทั้งสังโดยหลักของการปฏิบัตินั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในความทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจุด หมายความว่าสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วใครมีวาสนาบารมีที่อาจจะเห็นไตรลักษณ์ข้อใดได้ก่อนก็พิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ข้อนั้นและสามารถช่วยให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้จะเริ่มต้นจากการเห็นไตรลักข้อนั้ น, น, น แต่า ก, การเห็นในตอนแรกก็เป็นเรื่องข้อใดข้อหนึ่งเพี่งแต่เมื่อเห็นข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะเห็นข้ออื่นต่างไปจะทำให้จิตใจของบุคคลนั้นสามารถถ่ายถอนความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้ ดั้นพอมาถึงทุกตาคือความเป็นทุกก็ทรงแสดงไว้โดยในยะเดียวกันว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจุดประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าย่อมหน่ายในทุกนั้นหมายความว่าอย่างไร สังขาร น, นั้นเป็นเหตุแห่งการยึดติดที่ท่านสรุปไว้ที่ทรงสรุปไว้ในอริยสัจในทุกขสัจหรือว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชรา ค, ความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ซึ่งทั้งสามประการนี้เรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์จะทุกข์ตามสภาพของมันตามสภาวะของมัน ไม่ว่าความเกิดความแก่ความตายจะเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งของก็ตา่างก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จะมีการแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มีการแผดเผามีความ ร, าร้อนปรากฏเห็นแต่ในความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยประกอบรุงแตกกันวันจันจึงแสดงว่าเป็นสภาวะ คือเสมอเหมือนกันหมดในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายส่วนความโศกความรำไรราพันความทุกข์ความเจยใจความรับแค้นใจต้นนั้นถือว่าเป็นทุกข์ที่จอนมากับการประสบอารมณ์ในแต่ละขณะของบุคคลเพราะการกําหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของบุคคล ที่เก็บสะสมอารมณ์หลนั้นไว้ในฐานะอะไรและสภาพจิตในขณะสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นของคนเป็นอย่างไรความรู้สึกก็จะแปรผันไปเป็นความรักบ้างความชังบ้างความเฉยๆบ้างและในความรู้สึกทั้งสามประเภทนั้นเป็สังเกตว่าจะมีความยิ่งความหยอดอยู่เสมออาจจะรู้สึกรักมากชังมาก หรืเฉยๆในลักษณะไม่สนใจอะไรเลยก็ได้หรือความรู้สึกรักชังนั่นเองแต่ก็ไม่ก็จะรุนแรงอะไรเท่าไหรก็ได้ก็นําไปสู่ความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาในด้านต่างๆถ้าไปกําหนดว่าดีก็เกิดความสุขกําหนดไม่ดีก็เกิดความทุกข์กาหนดเป็นกลางๆ ก, ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าอทุกข็มีสุข ตุการใหญ่จริงๆ จ, งๆจึงส่งเน้นไว้ว่ากล่าวโดวยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเป็นทุกข์จึงหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจะได้ก็จะกลายเป็นความสุขการที่ทรงใช้กับหน่ายในทุกนั้นก็คือหน่ายในชาติความเกิดชรา ค, ความแก่พนักความตายก็เรื่อยมาคือสรุปว่าหน่ายในขันทั้งห้า พระขันธ์ตางนั้นท่านเรียกรวมอีกทีหนึ่งว่าอุปาทานาขันธ์คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าทุกขขันธ์เรียกว่ากองแห่งทุกข์ซึ่งหมายความว่าแม่ขันธ์ห้าจะมีอยู่ปรากฏอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่ใจของบุคคลไม่ไปเกาะไว้เรืองหน้าความรักความชางังขันธ์ห้านั้นก็สักแต่ว่าขันธ์ห ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือใจคนแต่ประการไดกานานั้นจะแปรผันไปแตกหนับไปเสื่อมไปหรือมีความเจริญเติบโตขึ้นก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลด้วยอำนาจความรักก็ดีความชังก็ดีหรือว่าไม่รักไม่ชังก็ดีแต่ไม่รักไม่ชังนั้นคงมีแหละแต่ว่าเนื่องจากเราไม่รับอารมณ์ตรงนั้นแต่ความรู้สึก ไม่รักไม่ชังที่สัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเั้นความสุขความทุกข์เป็นต้นที่โยนเนื่องกันมาจากความรู้สึกรักชังมันก็ไม่เกิดตามไปคําสอนที่ว่าขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้าหรือรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณนั้นสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า ที่จริงแล้วความรู้สึกเหล่านี้ของเรามีอยู่แต่มีอยู่ในสัตว์ในบุคคลซึ่งใจเราไม่ไปกําหนดไว้ด้วยอํานาจความรักและความชังถ้าถามว่ามีอยู่มากมายเมืม่อเทียบเคียงกันแล้วจะมีมากกว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความชังเพราะประชากรในโลกมีห้าพันกว่าล้านเรารู้จักไม่กี่คนแล้วมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราจริงๆก็มีไม่มากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกเฉยๆในสัตว์และสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามแต่พอสัตว์และสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังหรือเราเราความมีความรู้สึกก็เป็นของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราก็ตามแต่ความรู้สึกทั้งสามสายนี้ส่วนมากแล้วถ้ารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมังอีกสองอย่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน เช่นความรู้สึกว่าเป็นของเราเขาก็ผูกพันกับความรู้สึกว่าเป็นเราเพราะถ้าเราไม่เป็นไอสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่รู้สึกว่ามีสำหรับเราแในการรู้สึกว่าเป็นเรานั้นก็เกี่ยวเนื่องมากับความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเัราทั้งสามประการเมื่อมีก็มีด้วยกันถ้าไม่มีก็ไม่มีด้วยกันการแสดงจึงเพียงเป็นเพียงแต่การเน้นว่าในขณะนั้น การรู้สึกในแนวใดที่มีอิทธิพลเหนือใจอยู่มากการรู้สึกอีกสองแนวก็จะอยู่ในดับที่รองลงไปบางครั้งอาจจะแฝงเร้นอยู่บางครั้งก็ปรากฏตัวเพียงแต่ว่าไม่โดดเด่นเหมือนความรู้สึกประเภทที่กำลังกำหนดอยู่ในขณะนั้นๆั้ร้อขันหาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือกองแห่งความทุกข์นี้ หากว่าบุคคลมองเห็นในแง่ของความไม่เที่ยงแง่ของความเป็นทุกข์มันก็จะน่ายในกองทุกข์อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าขนานั้นเป็นภารกคือสิ่งที่ต้องแบกจะต้องขามเป็นสิ่งที่หนักมากแม้แต่ตัวเราประกอบเพียงห้าขันแต่แต่ละวันเกี่ยวข้องกับขันเกี่ยวข้องกับการ บ, บริหารขัน บำรุงบำเริงบำรุงบำเรอปน้ขันอยู่เนี่ยเสียเวลาไปเป็นจำนวนมากพอขาดหน้ายิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่การแบกการหามก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นแต่ เ, เมื่อเกิดญาณปัญญารู้ความจริงพระการหน้านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้ จ, จริงอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ตรงใจให้ตกได้เมื่อขันห้าเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเช่นยกตัวอย่างเราปรับได้เพียงสามสามเรื่องเวลาแก่ก็ถือว่าสิ่งที่ต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วเวลาเจ็บก็ถือว่าสิ่งที่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วเวลาตายสิ่งที่ตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้ว ไม่ว่าความแก่ความเจ็บความตายจะเกิดขึ้นแก่เราหรือเพียชนคนที่รักหรือคนที่เรามีความรู้สึกเป็นศัตรูก็ตา่างแต่ถ้าปัญญาเกิดสัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นได้ความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นภายในใจก็จะลดลงไปอีกเป็นอันมากคราวนี้บนสังเกตว่าที่เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นโดยประการต่างๆนั้นเพราะเป็นการปฏิเสธความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว เช่นว่ามิยาวิปโยคที่เกิดขึ้นจากความตายความตายนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจริงความตายก็ธรรมดาไม่ตายวันนี้ก็ตายวันต่อไปคนเกิดมากี่คนมันก็ตายเท่านั้นแต่เพราะใจเรายัางปฏิเสธทั้งๆที่ความจริงมันปรากฏ อ, อย่างนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับสภาพไม่ยอมรับสภาพใจก็ไปเหนียวเอาในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้ ก็เกิดความสุขขึ้นมาท่วมทับจิตใจที่ท่าเรียกว่าเป็นปิยวิปโยคคือการพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความสุขความรับรัยน้ำพันขึ้นมานังความรู้สึกในแนวนี้ปืนสังเกตว่าไม่ใช่ว่าจะต้องบรรลุมรคผลเสมอไปประเด็นสำคัญอยู่ที่การปรับใจให้ยอมรับความจริงเท่าที่ปรากฏ แล้วก็อยู่ให้ได้ในทำกลางความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่ น, นั้นซึ่งาถ้าเราเทียบเคียงกับประาาสาทสัมผัสส่วนอื่นก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดเช่นกายสาัมผัสเวลานี้อากาศหนาเ ว, วลานีอากาศร้อนเรายอมรับความจริงขณะนี้ร้อนขณะนี้หนาวขณะนี้น้ำหลากขณะนี้ฝนตกอะไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ทากลางสิ่งต่อ น, นั้น ทำอย่างไรจึงจะอยู่ให้ได้โดยไม่ไปเพิ่มความทุกจากที่มันเกิดอยู่ในขณะนั้นแน่นอนความทุกได้เกิดขึ้นแล้วพะหนาวจัดพอร้อนจัดพอฝนตกพระน้ำหลากแต่ให้มันทุกเท่าที่มันทุกโดยใจไม่ไปบวกข้าวแล้วก็พยายามปรับตัวให้อยู่ได้ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น จิตใจก็ต้องไม่เดือดร้อนวุ่นวายหรือพยายามปฏิเสธความหนาวความร้อนเ่านั้นหนาวก็หนาวจะีทำอะไรอยู่ให้ได้ร้อนก็ร้อนเดี๋ยวท ำ, ทำยังไงอยู่ให้ได้ฝนตกน้ำหลากก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพ ร, ะราะอะไรเพระนี้เพราะสิ่งเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับความแก่ความเจ็บความตายกันพร่าพราเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมของพร ะ, ะเจ้าทั้งหลายสัง เ, เกตตัวอย่างพระยาบุคคลที่ท่านบรรลุมรคลเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระยาบุคคลในระดับต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระหรันท่านก็มองแก่สิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้น เพียงแต่ท่านน้อมนึกเข้าไปในแง่ของสรรพสังขารทั้งหลายแต่บทเรียนก็มีจุดเริ่มต้นอาจจะหยดน้ําค้างที่อยู่ตามใบหญ้าใบไม้ทั้งก็ยืนดูอยู่อย่างเง้นในตอนเช้าๆก็ไปยืนดูหยาดน้ําค้างพอแสงแดดส่องมาหยาดน้าค้างก็เริ่มแห้งไปแห้งไป อย่าที่ใหญ่หน่อยก็แห้งช้าหน่อยอย่าที่เล็กหน่อยก็แห้งเร็วหน่อยแต่สรุปแล้วว่าแห้งไปหมดเหงินกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัตว์ได้สังขารทั้งหลายตลอดถึงตัวผู้ ด, ดูเองว่าตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเหมือนก็อยากนําค้างที่ตกอยู่บนใบหญ้าไปไหมเสร็จแล้วจะถูกแผด์อไให้เกิดแห้งไปตามกาลเวลา จะเรียกหรือชานั้นก็ขึ้นอยู่กับความเป็นหยาดนำค้างในแต่ละหยาดชีวิตของคนของสัตว์ของสิ่งของทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนีน้แล้วก็น้อมก็มาหาตนน้อมตนก็ไปหาสิ่งนั้นมองสิ่งนั้นกับตนและสับประสังขารทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงชช่จึงทรงชช้คําว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งผูกไม่เชื่อ สเปสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เดี๋ยวจุดเรียนเรียนจากจุดเล็กๆสักจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่วันนี้่งเราไปมองภาพใหญ่เลยเพราะภาพใหญ่จริงๆเราก็มองไม่ชัดถ้าไม่เห็นจุดเล็กซะก่อนการเรียนแนวแนวรัศาสตร์ศาสนาจึงเรียนจากจุดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรียนจากตัวเราเพราะตัวเรานั้นเรามองเห็นได้ทุกแง่ทุกมุม จะสามารถที่จะเป็นครูในการสั่งสอนสัจธรรมความจริงให้ได้อย่างชจดเจนงเช่นความเจ็บป่วยความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแต่พอเห็นที่กายเราแล้วก็มองที่กายคนอื่นมองขยายออกไปเรื่อยๆ เ, เท่าที่มองได้เราจะเห็นความเป็นเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือตกอยู่ในกฎของปัจจัยลัก ใจใจที่จะคอยคว้าในลักษณะต้องการยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะคว้าทำไมเพราะก็จริงแล้วสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เคยครอบครองสิ่งที่เคยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไประยะบุคคลบางรูปนั้นได้มองตัวทุกข์กษัตริย์ทุกขเวทนาที่ท่านกำลังสวยอยู่ อย่างเช่นพระปูติกตัสสติสะเทระท่านเกิดโรคเป่อยหน้าผุพองไปทั้งร่างกายประสบทุกขเวทน า, าต่างๆเป็นนันมากพระพุทธเจ้าเสด็จไปเชี่ยมแล้วก็จัด ก, การํำระร่างกายให้สะอาดร่างกายท่านบรรเทาทุกขเวทนาลงไปใจพอมาอยู่กับธรรมะได้ พระเจ้าก็สอนให้ท่านดูที่กายขั่นโดยพิจารณาในแง่เป็นทุกข์และเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาก่อนสองประเด็นแต่ก็มองให้เห็นในแง่ของความเป็นทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ท่านเห็นมาตลอดพระโรคโรคนี้เสียแทงท่านมาตลอดเพรา ะ, ะ น, นโอกาสต่อไปก็คือดูที่ไม่เที่ยงรับสั่งเป็นข้อความสั้นๆว่า ร่างกายนี้ไม่นานหนอจกล้มลงเหนือแผ่นดินเพราะวิญญาณออกไปจากร่างแล้วก็จะมีค่าเหมือนกระท้อนไม้ท่อนหนึ่งยาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ป่า ก, กายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเรานั้นจริงๆแล้วก็คือกองทุกข์กองทุกข์ประวิติศาสตา์นินดที่ชัด เพราะว่าท่านกำลังสวยทุกเวทนาอย่างแรงที่เกิดขึ้นจากโรคซึ่งเสียแทงท่านมายาวนานลักษณะเปื่อยเน่าแตกเป็นแผลเป็นเลือดน้ําหนองไหลเยิ้มไปทั้งหมดนั่นเป็นอาการของทุกเพราะงั้นกลายเป็นครูสําหรับผู้มีปัญญาแต็มที่จะกลายเป็นของน่าหวาดกลัวก็กลายเป็นครูที่สอนได้อย่างลึกซึ้ง ท่านก็มองที่ทุกขเวทนาทึ่งปรากฏมองชีวิตจวนที่จะดับโอกาสข้างหน้านั้นสั้นเหลือเกินว่าจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในสุดท้ายยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็นอนอย่างนั้นเองจเจริญวิปัสสนาเขาบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์ไปในเป็นการแสดงเห็นว่าตัวร่างกายก็กลายเป็นครูขึ้นมาหรือพระ เทรีปรตาจราที่เคยเล่าไว้อันนี้ท่านก็มองจากกระแสน้ําไม่ใช่กระแสน้ําธรรมดากระแสน้ําจากน้าล้างเท้าเท่านั้นเองแต่มองในแง่ของอ น, นิจจตาคือความไม่เชื่อท่านตัตกน้ํามาล้างเท้าน้ําที่เหลือนั้นก็ไหลไปแล้วก็เหือดแห้งไปไปในดินท่านก็ตักขึ้นมาอีก ตักมากกว่าเดิมราดลงไปน้ำก็แห้งไปอีกแต่ไหลไปได้ไกลกว่าแล้วก็ตักมาอีกตักมากกว่าเดิมอีกราดลงไปอีกน้ำก็ไหลไปไกลกว่าแต่ว่าในที่สุดมันก็จบลงเหมือนกันคือน้ำที่ตักขึ้นมาทั้งสามครั้งปริมาณน้ำไม่เท่ากันเมื่อเทลงไปในดินแล้วก็ปรากฏว่าถูกดินซึมซับไปทั้งหมด เพียงแต่ชาหรืเร็วเท่านั้นเองในบทเรียนของท่านที่เคยตรึงตราอยู่ภายในใจเพราะการพระพรากจากคนอันเป็นที่รักในคืนเดียวถึงหคนด้วยกันคือสามีหนึ่งลูกสองพี่หนึ่งแม่กับพ่อแม่ประสบภัยอันตรายตายกันหมดคืนเดียว6ท่านท่านก็เอามาดูในแง่ของความไม่เทีย่ยน พ่อแม่นั้นก็แก่กว่าขึ้นเหมือนกับน้าที่ตักมามากแล้วก็เทไปแล้วก็ไหลไปแต่ไกลหน่อยในที่สุดก็ซึมไปพี่กับสามีนั้นก็อีกวัหนึ่งเหมือนกับน้าขนาดกลางที่เทลงไปแล้วก็ไหลไประยะหนึ่งแล้วก็ซึมไปลูกทั้งสองนั้นเหมือนกับน้ำขนาดนิดๆถ้าเทลงไปแล้วก็ไหลไปได้แต่ในที่สุดก็ซึมไป ซึ่งแสดงว่าชีวิตมันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกับ น, น้ำล้างเท้าที่บุคคลเทลงไปบนพื้นดินน้ำตัวนั้นก็กลายเป็นครูสอนอนิจจตาทุกตาคือความเป็นของไม่เที่ยงความปทุกข์ให้แก่ น, น้ำแล้วก็ดูน้ำนั่นแหละจะเรือนวิปัสสนาก็บรรลุ ม, มาก่นไปหรือพระกีสาโคเตมีท่านก็ไปดูที่เปรวเชียน ตัวเทียนไหว้พระแล้วก็นั่งดูเทียนแล้วบกว่าลมมันพัดมาด้วยเปลวเทียนก็จุดไปก็ไหม่ไปก็ส่องแสงสว่างไปเปลวเทียนบางอย่างไส้หมดขายหมดก็ดับบางอย่างไส้ ย, ยังไม่หมดเลยขายหมดแล้วก็ดับบางอย่างขายยังอยู่ไส้ห ม, หมดก็ดับ บางอย่างยังอยู่พร้อมก็ดับก็ทํามเห็นว่าความดับที่เกิดขึ้นแก่เชียนแต่ละเล่มนั้นไม่เหมือนกันเพราะเหตุปัจจัยของการดารงอยู่และการดับนั้นแตกต่างกันก็มองถึงชีวิตของคนของสัตว์ของสิ่งของทั้งหลายซึ่งท่านประสบปัญหาตรงของท่านคือลูกท่านตายในขณะที่ท่านยังเด็ก นี้คือสิ่งที่ตรึงตราอยู่ภายในใจท่านแต่ท่านได้คิดค้นจากจุดนี้จากจุดที่โลกตายแล้วก็ขอหาครูอย่างถนัดเจเจไม่ได้ก็มาได้เปลวเทียนเป็นตัวเทียบเคียงถึงชีวิตเราก็นั่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเองอาศัยเปลวเทียนซึ่งจะเห็นว่าจิตมันก็ส ง, งบเป็นสมถะในแง่ของเตโชกสิน แต่ท่านมองไปในแนวของวิปัสสนาเขาก็กลายเป็นวิปัสสนาเป็นรูปตัวเปรวเทียนนั้นเป็นรูปแต่ปัญญาที่พิจารณาเป็นนามใจก็น้อมเข้าไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายก็ทวไปโดยนิย่าทั้งกล่าวในส่วนตั้งก็บรรลุมคผลเป็นประหารได้หรือบางทั้งอาจจะนั่งมองอยู่ที่โคนต้นไม้มองใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา ทา้งใบอ่อนไปแก่ใบเหลืองใบไม่เติง่งบางทียอดยางบนเลยกระทำให้ท่านมองเทียบเคียงกษัตริย์สังขารใ น, นปีตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเขามองมาในแนวเดียวกันก็ทําให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยสรุปที่ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เา น, นย่อมหน่ายในความทุกขนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลทั้งหลายเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกเพราะนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดซึ่งเมื่อเห็นนั้นิจ่จางทุกขังแล้วก็เป็นเหตุได้เห็นอนัตตาขึ้นอยู่กับภูมิธรรมพื้นฐานทางสติ ป, ปัญญาของท่านว่าท่านจะมองเก่ิตจุดใจได้ก่อน แล้วท่านจะเห็นอีกสองอย่างสามอย่างติดตามมาญยางายะแห่งอนัตตลกนาสูตรซึ่งท่านสาธุชนหลายคุ้นเคยจะเห็นว่าพระปัญจพคีนั้นเห็นที่อนัตตาก่อนเพราะในตอนแรกพระพุทธเจ้าทรงชี้ความเป็นอนัตตาของขันธ์ทั้งห้าให้ขวัญโดยทรงอธิบายในยะเดียวคือการอธิบายนั้นไม่ใช่อธิบายทุกนัยยะ หมาความว่าคนนั้นที่ฟังอยู่ในขนาดนั้นสามารถเข้าใจธรรมะโดยนัยใดก็จใช้ในัยนั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวคีสรงใช้ในัยว่าเราไม่สามารถจะบังคับปัญญาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ซึ่งเป็นขอบขายเป็นความหมายของอนัตตาในยะหนึ่งเท่านั้นเอง โดยส่งให้เหตุผลง่ายๆว่าถ้าขันทั้งห้าเป็นของเราแล้วขันห้าก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าพลาดพลากนะอย่าสูญเสียนะให้สวยงามอยู่ตลอดไปกินแล้วอย่าหิวนะอะไรไหะไรเนี่ยมันไม่มีทางอะไรทำได้สักอย่างซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าขันห้าจริงๆแล้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นไปของเขาแต่ต้องการให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้เป็นแม้จะรู้ว่าบังคับไม่ได้หัวใจก็ยังแข็งขืนจะบังคับจะต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน ốt เป็นการฝืนกติธรรมดาเมื่อสิ่งที่เป็นธรรมดามันเป็นไปตามธรรมดาของ ใจปฏิเสธกติธรรมดาเหล่านั้นในสุดความทุกข์ก็เดือดร้อนความความทุกข์ความเดือดร้อนก็บังเกิดขึ้นคณะก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาเขาแก่แก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายแล้วก็สรุปว่าเราไม่สามารถจะตั้งความหวังได้ว่าขอคานาคเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นได้นายาเป็นการสอนนั้นสอนที่อนัตตา แต่พระปัญจวัคคีเมื่อฟังพิจารณาแล้วก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังได้เพราะในช่วงที่สองจึงรับสั่งว่ารับสั่งเป็นใจความว่าพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายคิดยังไงในเรื่องนี้ขาน่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจปัญจวัคคีก็ตอบว่าไม่เที่ยงแล้วสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์ รับสั่งโดยสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ทั้งมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไว้ธรรมดาเนี่ยเป็นการถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราท่านปัญจวัคีก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรไม่เป็นการเหมาะสมแต่ลักษณะของใจที่ปล่อยควาปรารถนากสันอยาก เศรืมโหยหาอะไรคือแกวงไปแกวงมาตามอารมณ์ในการทั้งสามก็เพื่อเห็นว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคันห้าในการทั้งสามก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นและทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายที่ว่าคันห้าทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีป็นที่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี เอาก็จริงแล้วมันก็สักแต่ว่าขันห้าไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราในแง่ของความจริงที่แท้จริงคือเพิงสังเกตว่าระดับพิปัสสนานั้นเป็นว่าเห็นแจ่มแจ้งคือหมายความความจริงเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นทำนองเดียวกับการเห็นทางประสาทสัมผัสรูปคนรูปสัตว์ก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ หรือว่าสัมผัสเย็นร้อนหนอนแข็งก็รู้ว่าเย็นร้อนหนอนแข็งตามที่เราสัมผัสในขณะนั้นนั้นนั่นก็ที่จริงก็เป็นอาการอย่างอ่อนๆของวิปัสสนาหมายความความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นซึ่งว่าที่จริงแล้วเราก็มีเช่นรับประทานอาหารเราก็เห็นไม่เที่ยน อาหารบางอย่างเราบอกว่ารีบรับประทานไปเดี๋ยวจะเย็นรีบรับประทานไปเดี๋ยวจะละลายรีบรัประทานได้ระเดี๋ยวจะบูดนี่แสดงว่ามองเห็นความไม่เที่ยงอาหารบางอย่างมันจะละลายอาหารบางอย่างมันจะบูดอาหารบางอย่างมันจะเย็นอาการเหล่านั้นคืออาการที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแม้ในช่วงนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง เขาก็จะเป็นอย่างที่เราได้ว่าไปอันทำให้เห็นว่าความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือแม้เป็นอนัตตาในสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ถุกขนาหากว่าพยายามใช้ปัญญาพิจารณาสะสมความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ไปปล่อยจะทําทให้ตัณหามำนาจทิฏฐิเจอจางโมปางลงไปได้ตามสมควร ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสุกสุขต่อไป